ตอนนี้เราเลี้ยงพระหลายองค์เราเรียนที่มณมาเ น, เนื่องในงานบูชาคุณแผ่นดินเราไปคิดถึงดินที่คุณเขาแผ่นดินไหมมันมีความหมายหลายในหลายอย่างยุบละเอียดนะเพราะว่าบูชาคุณแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่เราเหยียบย่างที่เราได้ผู้ฟ้าใสพ่อกเป็นปิดแผ่นดินแม่ก็เป็นแผ่นดินนี่ก็คือก้อนดิน พระเจ้าประธรมพระสงฆ์มันสมเด็จพระบมาจากมีพื้นดินเป็นเป็นเป็นพื้นเป็นฐานมาก่อนบูชาคุณแผ่นดินบูชาผู้มีพระคุณก็แล้วกันบูชาบุญคุณสิ่งไรที่มีบุญมีคุณกับเราก็เราไม่ลืมเราลื้อถึงบุญทุกคุณมันเป็นการกรตันตูวกรตเวทีมันเป็นการไม่ลืมเนื้อไม่ลืมตัวเรามาคิดดูเด็กบางคน ไม่แต่บุญคุณของพ่อของแม่ก็ไ ม, ไม่รู้จักหู้ดูหัวสมองมันมันมั น, มนบึกขนาดนั้นเหรออะไรคือบุญ ค, คือคุณที่เขาเรียกไม่รู้จักแต่ท <c oughs> ี่เสษเฉยไม่รู้บุญไม่รู้คุณไม่รู้บุญไม่รู้คุณกิริยาแบบไหนเป็นบุญเป็นคุณไม่รู้ชัดไม่รู้เรื่องเพราะเราวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาทํายยึดเรื่องบุญเรื่องคุณเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ถ้าหาดไม่ไม่ไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับบุญกับคุณมันจะลบล้างคนคุณเราดูไปเถอะพวกเรามีพี่มีน้องหรือพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่เราดูลูกที่มันมันไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณโอ้โหทุกขนาดไหนทุกขนาดไห น, น, ไหนรวมไปถึงพฤติกรรมอย่างอื่นเขาเสียไปหมดแล้วถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้พฤติกรรมก็เสียไปหมดกลายเป็นว่า พ่อแม่ไม่ตา่างอะไรกับคนทีฝันโยกฟันคลอนเอาไว้เดี๋ยวแทนกิ๊เดี๋ยวแทนกิ๊บฟันยกฟันคลอนใครเคยฟันยกฟันครอนจะรู้แหละลู ก, ละลกที่ไม่ดีไม่เช่นเดียวกันสำหรับพวกเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณก็เหมือนกับเหมือนกั บ, เ ห, กบเหมือนกับพ่อแม่เกี่ยวกับลูกนั่นแหละจะต้องเกี่ยวข้องกับเป็นผู้มีบุญมีคุณผู้ที่อยู่ใต้เราใต้ผู้บังคับบัญชาเรา ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญมีคุณเนี่ยถ้าเกิดเขาทําเฉยเขาไม่สนใจเขานุ่นเขานี้เดินหน้าเมือนเฉยไม่สนใจเราดูในใจเจ้าของมันเป็นยังไง <c oughs> นี่คือความไม่รู้จักบุญม่รู้จักคุณมันทิ่มแทงไปหมดหละเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องใจถึงใจในเชิงพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนะท่านสอนเรื่องหลักของใจหลักของใจต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเป็นบานเป็นทาง เมตตากรุณามุติตาเบกฐานคืออะไรพืพ้นฐานของใจกตัญญูรู้บุญรู้คุณรู้บุญรู้คุนนี้มันโยงกระถิ่นสัตยธรรมเพราะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่อย่างนั้ น, นอย่างพวกเราอุบัติในท้องแม่ผู้มีบุญมีคุณทําให้เราไปอุบัติในท้องแม่คือพ่อกับแม่บางคนไม่รู้จักไม่รู้เรื่องมีซ้ำไปตัวเองไม่ได้เอาเรื่องสยบไปเกิดในท้องแม่ จะเอาจิตกับกรรมไปสวมเรือนร่างนั้นแต่หาไปได้กรมบุญตากกรรมจากนั้นแล้วก็อยู่ในท้องแม่ดูเลือดแม่ตลอดกว่าจะออกมาเก็บเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเรามาดูสินั่นแหละกิริยาแบบนั้ น, นเคือบุญคุณเราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้รับความเบอกเบาใจได้รับความพลิดเพลินกินดีได้รับสาระประโยชน์ได้รับความสุขจากสิ่งใดสิ่งล่านั้นแหลคือให้คุณ เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณนีเราตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อสะท้อนไปถึงผู้มีประคุณของเราทั้งหลายทั้งปวงเราพูดมาถึงพระพุทธ ศ, ศาสนาเขมีพระุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดเป็นสรนาระคงสูงสุดเป็นบุญคุณเนื้อบุญเห น, อเนือคุณในหัวใจของพวกเรารู้มาถึงที่ประเทศชาติผู้หลักผู้ใหญ่พระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินที่เราได้พึ่งพาอาศัย คนพวนเรามราอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่อย่างนี้แหละเราได้พึ่งพาสายซึ่งกันและกันเราก็ได้รับประโยชน์จากกันและกันนี่เหมือนอย่างที่ก่อนที่เขานั่นแหละเขาพิจารณากฎหมายบ้านเมืองเพื่อให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขเกี่ยวกับอะไรตัวอะไรเราก็รู้เท่ากันเราดูอีกส่วนหนึ่งบางคนตั้งใจทําด้วยความซื่อสัตย์จริจริงเขามีผลเขามีอนิสงส์นะถ้าเราได้ฟังโอวาสีห้องเหลี่ยวฝานนั่น นั่นน่ะ น, นันคติธรรมของจีนสะท้อนมาเลยแหละคติธรรมของจีนคือเหลียวฝานอยนูะ่เขาไม่เชื่อโชคชะตาในนั้นนะเลี้ยวฟันไม่เชื่อโชคตาไม่เชื่อโชคชะตาโชคชะตาเหลียวฝานเขบอกว่าจะไม่ได้เป็นคุณนายและก็จะไม่มีลูกจะไม่มีบุตรแต่เขาตั้งความปรารถนาทําบุญขอทำบุญเท่านั้นครั้งปรารถนาได้เป็นศอบให้ได้เป็นคุณนาย จะทำบุญเท่านั้นผ่านครั้งเท่านี้ผ่านครั้งในการจดทําบุญส้างเงาความดี้กับตัวเองทีนี้พอเวลาก็ทําไปแล้วเนี่ยพอเวลาเขาได้เป็นนายอำเภอไปแล้วเนี่ยเขาไปช่วยคนคนตกทุกข์และยากคราวนั้นเท่านั้นคราวนั้นเท่านั้นคราวนั้นเท่านั้นเปรียบเทียบกับการทําบุญของเขาของเขาเนี่ยเป็นร้อยครั้งเป็นหมื่นครั้งก็เทียบเปรียบเทียบเข้าไปนี่คือคืออะไรคือผลที่เราพร้อได้ครับจากเขาก็ยัง กเหมือนอย่างเราเออเราเที่ยวเหมือนในหลวงเราทุกวันนี้แหละฮะประสบอุบัติเหตุที่นู่นที่นี่ภัยที่นู่นที่นี่มีถุงย่างชีพไปถึงไปถึงไปถึงไปถึงไปถึงนี่แหละคือบุญคุณที่เราเห็นที่เรามองเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับนี applauds, ates, are are life, ้เราก็มองเห็นนี้รวมมาถึงพ่อเขาเราแม่เขาเราพี่เขาเราน้องเขาเราเพื่อนฝูงเขาเราคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติเขาเราแต่เราได้ประโยชน์จากเขานั่นคือพู้มีบุญมีคุณท่านั้น พวกเราไม่ทอดทิ้งเราดูแลห่วงใยัยเราก็ถามถึงแต่ถ้าใครเมินเฉยเขาเรียกว่าคนเนรคุณคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จะคุณเราดูไประหว่างคนสองคนหนึ่งผู้ทําบุญทําคุ ณ, คณรู้อยู่ว่าเราให้บุญให้คุณแก่เขาเขาจะควรรับบุญรับบุญจากเราเราก็ทําเมินเฉยลองดูดูเกิด ค, ความรู้สึกยังไงเรื่องอะไนี้มันเป็นเรื่องถึงจิตถึงใจครับนอนน้อมปุ๊บเข้ามางี้เออ พลอยจิตใจชื่นบานเหมือนพ่อเหมือนแม่พวกเราจะบุจะไา้จะบ่นจะอะไรทั้งราวก็ตามเทฤษเฉยเราก็ทําเฉยถึงการถึงค่าวแล้วก็ผู้ให้ท่านได้สบายอบสบายใจในการให้ท่านปลื้มปลืติให้ท่านมีความเบยนดีให้ท่านได้รับทราบความหวังดีจากเราเนี่ยคือการรับย้อน เ, า เ, า เ, าเาอารื่อถึงผู้มีบุญมีเกิด ม, มันนี้ก็ถือว่าเป็นหมอเขาได้กติกามัง่งตั้งแต่ตาานุ่นลูกตาพาทำนี่แหละทำมาตั้งแต่นู่นอยู่ โรงพยาบาลใช่ไหมค <c oughs> รับโรงพยาบาลพระมกุฎใช่ไมโรงพยาบาลาาก็ปิดตาโรงพยาบาลก็ปดปากทำมาเรื่อยๆมาอยู่ตรง น, นี้เพิ่งทําได้กี่ปีเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีก็คือเสียสละไปตั้งใจอุทิศว่าคือการบูรการกุศลตั้งใจพุทธจะบุตรซักเอาคุณงานความดีก็สูก่กันคนเราทหาทําไม่ทํากิจกรรมพิเศษ อ, อย่างนี้เราไม่มีอะไรเป็นกิจกรรมพิเศษหรอก อยู่ทมหากินมีงานมีการได้เข้าวข้าปากินพร้อมมีที่อยู่มีที่กินมีที่ทอัศจรรย์ศักดิ์ว่าเป็นคนที่เฉยไม่มีกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษก็คือเนี่ยพูดไปก็ไปพ้นผู้ศาสนาของเรามีเรื่องสวดก บ, บุญให้เราครับเพราะเรื่อ ง, องบุญมันเป็นเรื่องที่จะต้องเสียสละข้ามาอย่างอาหารนีเงี้ยเราเริ่มใ ส, ส่ศรัทธาเราอยากทําบุญมันมีอะไรบ้างที่จะเป็นสื่อแทนน้ําใจที่เราเห็นว่าเรา จะได้บุญเราทำบุญที่เราจะต้องเสียสละไปะข่าวปลาอาหารของใช้ของสอยที่เราถาวายพระเจ้าพอสมผ้ามุ้งผาหมที่อยู่ที่อาศัยเป็นเป็นผลแสดงถึง ค, ความเสียสละมิร้ยใจพวกเราบุญถึงจะเกิดท่นานชื่อว่าบุญถ้าไม่มีกิริยาบุญไม่เกิดกิริยากายประกอบกิริยาวาจาประกอบกิริยาใจประกอบคนอื่นเขาทำเตรียมไปหมดเราหนั่งสือซื้ออยู่เฉยไม่ได้อะไรสักเม็ดเลย <c oughs> เขาทำนู่นทําน so ี hit, ้เออสาธุเขาไม่รู้ก็ตามจะเรารู้เราได้ช่วยหยิบช่วยยกช่วยจับช่วยพูดช่วยบอกช่วยแนะช่วยเตือนกิริยาที่ทําให้เกิดบุญบุญยะกิริยาถ้าไม่มีกิริยาบุญไม่เกิดคําว่าบุญคือความดีความดีคือบุญบุญคือความดีบุญยะบุญยังภาษาบาลีความไทยจะแปลว่าอะไรภาษาไทยความดีความดีให้ผลคือความสุขคือความเจริอ เันนีพวกเราได้ทำแล้วยังจะต้องพิจาระพระจอมอนีมีพิธีดีตอนที่นีกใครมีเวลาก็อยู่ร่วมกั น, กนใครมีม่เวลาก็ตามตามสะดวกสบายอันน่าให้พอนแล้วพ่อน